หัวข้อดังตรินเปิดเกมชีวิตให้ความรู้สึกแสนดีเสมอถ้าคุณเป็นผู้ชนะและได้ทุกอย่างสมใจเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้หมดว่าทำแบบไหนจึงได้มาซึ่งอะไรที่ต้องการนั้นกับทั้งมีกำลังวังชาพระกพร้อมมีครอบครัวที่อบอุ่นให้การสนับสนุน มีฐานะการงานมั่นคงเป็นที่นับหน้าถือตาตลอดจนมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างนี้ก็คงต้องเรียกผู้ชนะในเกมชีวิตซึ่งหายากทั้งโลกมีอยู่น้อยเท่าน้อยใครๆก็แอบอิจฉากันทั้งนั้นในทางกลับกันหากชีวิตไรจุดหมายไม่รู้ว่าระหว่างตื่นนอนกับหลับหายไปเลย แตกต่างกันอย่างไรลุกขึ้นมาก็เจอสุขภาพอ่อนแอไร้คนเหลียวแลใหญ่ดีการงานง่อนแง่นใครต่อใครหัวเราะเยาะเหมือนเป็นตัวตลกตลอดจนรู้สึกเอือมระอากับสิ่งที่ตัวเองเป็นเต็มทนอย่างนี้คงต้องเรียกผู้แพ้ในเกมชีวิตซึ่งมีอยู่กลาดเกลื่อนและเหมือนตำแหน่งยังว่างรอการยัดเยียดอยู่อีกมาก เกมชีวิตเล่นยากบางคนเล่นเท่าไรก็ไม่ชนะเสียีนั่นเพราะไม่ทราบจะเล่นให้ถูกทางชนะกันท่าไหนต้องเลือกเรียนคณะใดถึงจะเหมาะต้องเลือกงานใดถึงจะรุ่งต้องทำธุรกิจใดถึงจะรวยและที่สำคัญต้องเลือกใครเป็นคู่ครองถึงจะใช่ความรับรู้ของมนุษย์ธรรมดาแคบจํากัด ยังไม่ทันเข้าใจว่าทำไมต้องเกิดมารู้ตัวอีกทีก็เข้ามาอยู่ในเกมชีวิตโห ด, หดเล่นย า, ยากนี้กันแล้วตอนไม่รู้อะไรเลยคนเราถูกบังคับให้เลือกนั่นเลือกนี่แต่ตอนรู้หมดแล้วก็สายเกินกว่าจะย้อนเวลากลับไปเลือกใหม่อย่างนี้มันเกมชนิดไหนกัน พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาก็เพื่อประกาศข่าวสำคัญข่าวหนึ่งซึ่งจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็คงแล้วแต่ใครอยากฟังแบบไหนข่าวที่ว่าคือพวกเราไม่ได้แค่อยู่ในเกมชีวิตเล็กๆรอบเดียวแต่ยังตกอยู่ในวังวนของเกมกรรมนับรอบไม่ท้วนอีกด้วยเกมกรรมเป็นเกมที่ใหญ่และน่ากลัวกว่าเกมชีวิตมากนัก คุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามตอนนี้คุณก็กำลังเล่นเกมนี้อยู่ไม่เว้นแม้ขณะอ่านหนังสือคู่มือเล่นเกมเล่ม น, นี้และคุณยังจะต้องเล่นต่อไปตราบเท่าที่ยังไม่ทราบวิธีหยุดเมื่ออ่านเกมกรรมออกคุณจะบอกถูกว่าทุกอย่างเป็นอย่างที่ตนเองทำตลอดจนได้รับมาสมกับที่เคยให้ไปแต่ถ้าอ่านเกมกรรมไม่ออก พอถึงตาจนหรือตกที่นั่งลำบากคุณจะมองหาแพรับบาปซึ่งก็สุดแท้แต่ว่าใครบังเอิญเดินผ่านเข้ามาให้จับเป็นแพคุณจะทราบว่ากรรมเก่าให้ผลตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่รูปร่างหน้าตาฐานะในช่วงต้นชีวิตตลอดจนชะตากรรมนานาที่วิ่งเข้ามาชนแบบไม่เปิดโอกาสให้ตั้งตัวหลบหลีก เมื่อทราบเช่นนี้ก็จะเลิกคาดหวังผิดผิดคิดว่าชีวิตกำหนดได้ดังใจปรารถนาทุกประการหรือกระทั่งมีพิธีกรรมบางอย่างพลิกชีวิตคุณให้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้คุณจะทราบว่ากรรมใหม่เริ่มสร้างกันได้ตั้งแต่รู้ความแล้วไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจให้อภัยการตัดสินใจโต้ตอบสิ่งยั่วยุ หรือยั่วยวนด้วยการรักษาศีลตลอดจนการพยายามแก้ไขปรับปรุงอะไรแย่ๆให้ดีขึ้นเมื่อทราบเช่นนี้ก็จะเลิกคาดหมายผิดๆคิดว่าชีวิตถูกกำหนดไว้หมดแล้วหรือกระทั่งงอมืองอเท้ารอให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามยถากรรมท่าเดียวเมื่อเข้าใจเกมกรรมอย่างท่องแท้คุณจะพบว่าในเกมกรรมนี้ ชนะสามารถออกแบบชีวิตใหม่ได้ตามที่ตนจะอยากให้เป็นไปส่วนผู้แพ้จะเอาแต่ให้ชีวิตบอกว่าตนเองต้องเป็นอย่างไรต่อไปอีกยิ่งเล่นอย่างเข้าอกเข้าใจมากขึ้นเท่าใดคุณจะยิ่งรู้ซึ้งโดยได้ประจักษ์กับหลักฐานทันก่อนตายว่ากฎิกาชีวิตมีอยู่จริงแต่ตอนไม่รู้ก็คิดเหมือนเหมือนกับคนอื่นว่า กติกาไม่มีอีกทั้งเอออหอหมวกตามตามกันว่าทุกคนต่างบังเอิญมาเกิดบังเอิญมามีชีวิตและบังเอิญต้องไปตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเหตุผลอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าความบังเอิญคอยควบคุมอยู่นับจากหน้านี้เป็นต้นไปคือการนำเอากติกาธรรมชาติที่พุทธศาสนาเปิดเผยไว้มานาเสนอในมุมมองที่เข้าใจง่าย โดยการตีความกฎแห่งกรรมวิบากและการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเกมซึ่งพอมองชีวิตโดยความเป็นเกมกรรมคุณก็จะเกิดแรงบันดาลใจตลอดจนเห็นลู่ทางทําคะแนนใหม่เพื่อที่จะได้รางวัลเป็นชีวิตที่คิดไม่ถึงก่อนจบเกมครั้งนี้ให้จงได้แม่นังสือเล่มนี้จะไม่อ้างอิงถึงพระพุทธเจ้าในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่ง ก็ขอให้เข้าใจว่าความรู้ในทุกๆบรรทัดได้มาโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเทศนาธรรมอันเป็นอมตะของพระองค์นั่นเองข้าพเจ้าขอถวายอภิวาทแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวที่ไขกฎแห่งกรรมวิบากได้หมดจดไม่มีใครอื่นยิ่งไปกว่าหลวงชื่อดังตรินมีนาคม ปีพุทธศักราช2557